เราจะไม่ต้องประนมมือก็ได้เหนื่อยนี่ก็เป็นวันหนึ่งประกันตั้ง อ, อกตั้งใจฟังธรรมไ อ, ไอ้ฟังธรรมะเนี่ยไม่ใช่มากหรอกคำสองคามันก็ไปได้เหมือนกันแต่ให้เข้าใจในธรรมะอันนั้น อ, อะไรมันเป็นธรรมะ ออะไรมันเป็นธรรมะพูดง่ายๆว่าะอะไรที่ไม่เป็นธรรมไม่มีมันมีธรรมทั้งนั้นเนี่ยเรียกว่าธรรมมันเป็นภาษาธรรมะเราทุกคนนี่ก็เป็นธรรมจิตใจก็เป็นธรรมร่างกายก็เป็นธรรมกายวาจาทั้งหมดเป็นธรรมทังนั้นมวลหมู่มนุษย์ทั้งหลายนี่อื ที่จะมารวมกันอยู่เป็นหมู่หมวดเป็นกลุ่มก้อนในความสบายในความสะดวกดีนั้นมันก็เหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งต้นไม้ต้นหนึ่งนั้นมันมีโครนแต่มันมีลำต้นแล้วก็มีนี่กิ่งก้านสาขาเนี่ยต้นไม้ต้นนั้นเกีกยว่าต้นไม้จะมีแต่โคลนไม่มีลำต้นมันก็เป็นไม่ได้จะมีลำต้น กิ่งอาสาขาไม่มีมันก็เป็นไปไม่ได้รวมเป็นลำต้นเป็นต้นไม้ก็คือมีโครนนะมีลำต้นนะมีกิ่งก้านต้นไม้ท้งต้นนั้นถึงแม้จะมีทั้งสามอย่างก็จริงแ ต, แต่ว่ามันไปรวมอยู่ที่โครนมั น, นเป็นหลักไอ้กิ่งมันก็ดีไอ้ใบมันก็ดีมันก็อาศัยโครนเป็นอยู่เนี่ย อาศัยโครนมันเป็นอยู่มนุษย์เรานี่ก็เหมือนกันฉันนั้นมันมีกายมันมีวาจาแต่ว่ามันอาศัยจิตซึ่งทำงานทั่วถึงทุกชนิดคือจิตจิตนี่คนชอบมาบ่นทุกนะแม่จิตมันเป็นทุกข์อัตมาที่มาอยู่ในวัดนงประโภเนี่ย นับหลายร้อยลาย ม, มากราบลงพ่ออีฉันเป็นทุกข์ใจเนี่ยนสุขมันก็สุขใจทุกข์มันก็ทุกข์ใจไม่รู้ว่ามันเป็นอะไรยังไงกันไอ้ความเป็นจริงไม่น่าจะมีทุกข์นะก็เพราะมันไม่พระพุทธเจ้ากึงสอนว่าอย่าทุกข์อย่าทุกข์ทุกเรื่อมันก็ไปสบายคือจะไปทาอย่างนั้นที่ไปทำอย่างนั้นมันทุกข์ อืเราก็อยากอยากจะไปทําอย่างนั้นเนี่ยอืมันก็ทุกข์การฟังธรรมะการประพฤติธรรมะหรือ ก, การปฏิบัติธรรมะนี่ก็เพื่อจะให้พ้นทุกข์อย่างเราเพวกเราทั้งหลายมาทําบุญวันนี้อืก็เหมือนกันเพื่อจะบรรเทาทุกข์เพราะว่าทุกข์เท่านั้นแหละมันเป็นสิ่งที่สําคัญ มันเกิดมาจากเหตุของมันคือเกดิตทางลายบางคนก็เห็นว่าไอ้ทุกข์เนี่ยมันประจำอยู่ในใจเนี่ยอยู่นานแล้วใครบันนี่โยมก็ถามอาตมาที่ตอบว่าโยมมันไม่นอนเนื่องอย่างนี้หรอกมันเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้แต่อารมณ์ที่ไม่ชอบใจมันใดทุกข์เดียวนี้เหมือนมะนาวแต่ผลมะนาวานนั้นเนี่ยเอามันทิ้งไ้ตรงโน้นมันเปรี้ยมั้ย แล้วมาขามเปียกแล้วเนี่ยเอาทิ้งไว้ตรงนั้นน่ย ม, มันมันมันเปรี้ยวไหมมันก็ไม่เปรี้ยวเราเอามาแตะริ้นเน่ยดี๋ยมันเปรี้ยวกั้นอย่างนี้เองอ่ะนี่ยมันเป็นใจอย่างนั้นจ้าหนี้ปัจจุบันนะทําเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ไอ้ความเปรี้ยวมันนอนเนื่องอยู่ในมขามเปียกหรอกนะไม่รู้เรื่องไอ้จริงที่มันไม่รู้มันเกิดเมื่อมันรู้เดี๋ยวนี้อ่ะเอาก็มาแตะริ้นแล้วก็มันเปรี้ยวขึ้นอย่างนี้เกิดเดี๋ยวนี้เปรี้ยวมันอยู่ที่ไหนหรอกมันอยู่ที่สัมผัสถูกต้อง ก็เกิดความไม่ชอบ เ, เกิดกิเลสเดียวนี้นะกิเลสก็ไม่ใช่มันนอนเนื่องในใจเราหรอกนะมันเกิดเดี๋ยวนี้มิฉะนั้นปัจจุันาธรรมมาเรื่องปัจจุบันธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญไม่เกินเป็นสิ่งที่สำคัญธรรมะที่เราปฏิบัติธรรมะการเรามาทำทานทำบุญสุนทานวันนี้ ก็จะม า, มาบำรุงพระพุทธศาสนาแต่ว่าให้รู้จักพระพุทธศาสนาถ้าเราบำรุงพุทธศาสนาเพื่อเอาบุญกันอย่างเดียวนั้นบางทีมันก็จะไม่ถึงพุทธศาสนาอเอาบุญอย่างเดียวนั้นเราถึงทักชวนกันว่าไปสร้างบุญสร้างกุศลกัน เราต้องฉีกมันออกแยกมันออกบุญมันเป็นยังไงกุศลมันเป็นยังไงบุญคือทำอาบุญนั่นก็ได้ว่ามันปราศจากปัญญาคนเราเมื่อไม่มีปัญญาแล้วมันทาอะไรก็ไม่ได้มันไม่พ้นทุกข์ง่มันไม่พ้นทุกข์ท่านเรียกว่าบุญกุศลบุญก็คือหามารวมไว้แบกไว้แบกไว้มันหนักไม่รู้จะทิ้ง มันก็ทับเราตายนั่นแหละอืมถ้ามันมีปัญญาแลว้วก็ทิ้งมันออกแต่มันหนักอย่างนั้นมันก็เบานี่เรียกว่ากุศลอันหนึ่งเรียกว่าบุญรวมเข้ากันเรียกว่าบุญกุศลอืมทำบุญกุศลเช่นนี้ก็เดี๋ยวบำรุงพุทธศาสนาอืมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเรา ที่ท่านประธานไว้ที่เรียกว่าพระพุทธเจ้าใครเป็นพระพุทธเจ้าอันนี้บางทีเราก็งงเหมือนกันนะ่ะไม่รู้ว่าใครเป็นพระพุทธเจ้าดักรของท่าน่ะท่านผู้สอนให้ประชุมชนประพฤติชอบหรือกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนนะดูดิเราดูเถอะ ท่านไม่รู้ว่าใครเป็นท่านอยู่กัท่านกันหมดทั้งนั้นเนี่ยไม่ใช่คนอยู่นี่มันท่านท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติชอบหโดยกายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าน่ะเห็นไหมเห็นพระพุทธเจ้ามอย่างนั้นนี่นี่ใครที่สอนในประชุมชนคือธรรมะอืธรรมะ เราถึงฟังธรรมกันฟังธรรมเอาความฉลาดแล้วก็เอาความสุขแล้วก็พิจารณารู้จักความสุขนั้นรู้จัก่ายความสุขนั้นให้เกิดประโยชน์เราทำไปเพื่อการปล่อยวางคือเอาอย่างเดียวมันทุกข์ไม่มีปัญญาเห็นไหมยห็นคนจนไหมจนมันก็ทุกข์มันทุกข์แบบคนจนเห็นคนรวยทุกข์ไหมเห็นคนรวยก็ทุกข์มันทุกข์แบบคนรวย เห็นเด็กมันทุกไหมเห็นมันทุกแบบเด็กอืมฮะเห็นพ่อแม่ของเด็กทุกไหมทุกมันทุกแบบพ่อแม่ของเด็กตรงไหนมันเป็นอะไรยังไงมันเป็นเรื่องของอย่างนี้มิฉะนั้นพระพุทธเจ้าดันถึงชี้ให้ประพฤติธรรมะปฏิบัติธรรมะเพื่อให้เราออกจากทุกขออกจากวัตาสงสารนี่สังสารวัฏอันนี้ี่ไม่ใช่ว่าสิ่งทั้งหลายนั้นมันผูกเรานะเราไปผูกมัน บางทีก็ฉันพ้นทุกข์ไม่ได้หรอกได้ที่แต่เราไม่ทำมันแต่เราไม่ไ ม, ไม่ไม่ทามันต้องมาพยายาิจารณาต้องเรียนธรรมะจะต้องรู้จักธรรมะทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีที่เกิดนะมันมีที่เกิดมาก็ต้องมีที่ดับ ม, มันต้องมีที่เกิดมันมีแดนเกิดเท่งนั้นนะอลองลอ ง, ลองดูเถอะทำทั้งหลายมันเกิดต่อเหตุนะเมื่อไรยโยมเป็นทุกข์ มันเป็นทุกข์เพราะอะไรรู้ไหมเรื่อมันเรื่อมันเกิดขึ้นม า, ล, าลอยอย่างนั้นเนี่ยเมื่อเย่อเมื่อโยมเป็นสุขมันเกิดมาจากอะไรรู้ไหมหนักที่มันเกิดมาเนี่ก่อนทุกข์มันจะลําบากไม่ใช่ว่าอะไรอดีตก็มีที่เรานั่งอยู่อะไรนะคิดไอ้คนนั้นก็ดูถูกเราคนนั่นก็นินท่าเราคนนั่นก็อิดช้าเรานี่ยตามันก็ค่อยคอย่คอยซึม อ, ออกมานะ ที่ใช้ก็อาศัยไม่ได้น่องใช้ก็อาศัยไม่ได้คิดไปก็น้อยใจน้าตามก็ซึมลงมาเนี่ยขนาดมันทําโทษจนใหน้ำตามันไหลออกยังไม่รู้จักว่ามันเกิดมาจากที่ไหนบางที่เรานั่งอยู่คนเดียวหรือเดินไปคนเดียวเนี่ยนึกถึงอารมณ์ที่มันที่ชอบใจอะไรต่างๆบางทีก็ยิ้มออกมาจ้ะอย่างเงี้ยอะไรนั่นมันเกิดมาจากไหนไม่ได้มันยิ้มเองมันเดี๋ยนี่นี่มันยิ้มเองมันหรื อ, เ, อเปล่า นั่นทำมันเกิดพอเหตุอยู่แล้วมันเป็นมันเป็นแดนเกิดมันเกิดจากเหตุทางหลายลั้นไม่ใช่มามันเกิดมา ล, ยลอยลอยมันเกิดมาเฉยๆอย่างนั้นพระองค์จึงจ้ำจี้จ้ำชัยพวกเราซ้ำซ้ำักซากให้เราก็ไปเห็นตรงนั้นตรงนั้นไม่ใช่ว่ามันเกิดมาลราชิงทั้งปวงในโลกเี่นะมันจะไม่มีอะไรปรากฏให้มนุษย์ทางหลายทุกยากลาบากนะแต่ว่าเราไม่รู้จักมัน อย่างก้อนหินก้อนนั้นมันตั้งอยู่นั่นน่ะมันก็ยังไม่หนักอะไรถ้าเราเดินผ่านมันไปมาแล้มันก็ไม่หนักแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับมันนี่ถ้าเราเกี่ยวข้องกับมันนึกอยากได้มันไปยกมันขึ้นมันหนักทันทีนี่มันเป็นอย่างนี้อารมณ์ทุกอย่างก็มันกันที่นั่นถ้าเรารู้เรื่องของมันแลจะไม่ไม่มีหน้าจะทุกเหตุมันไม่มีเหตุจะเกิดทุกมันไม่มีนั่นมันไม่มีอย่างนั้นไอเรื่องทุกเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญที่สุดอ่ะ อืมถึงมันมันจนมันก็ทุกข์ถึงมันรวยมันก็ทุกข์เป็นเด็กมันก็ทุกข์แก่แล้วมันก็ทุกข์ถ้านคนไม่รู้จักทุกข์พระพุทธเจ้าตรัสสอนมาให้รู้จักทุกข์รู้จักเหตุเกิดของทุกข์รู้จักความหลับทุกข์รู้จักข้อปฏิบัติให้ถึงความหลับทุกข์แต่ว่าเราก็รู้ทุกคนทุกข์แต่ว่ารู้ไม่ถึงรู้ไม่ถึงทุกข์รู้ทุกอย่างแต่มันรู้ไม่ถึง ออืถ้าเรารู้ถึงมันแล้วเป็นต้นมันก็ไม่มีอะไรจะเป็นทุกข์ออย่างเราเห็นต้นเจนนี่เป็นต้นต้นคือต้นเราที่นั่งอยู่นี้เป็นต้นกอเรียกว่าเห็นต้นกันแล้วนะคือเราเห็นต้นเนี่เห็นอยู่นี่ขาฉันนี่นี่แขนฉันนี่นี่เพื่อนฉันนี่เห็นอยู่ก็เรียกว่าเห็นอย่างนี้เรียว่าเห็นต้นอืมไอ้ความจริงที่ว่าเห็นต้นนั่นไม่ใช่อย่างนี้ ตามธรรมะเห็นตนคือเห็นว่าตนนะั่นะม่ใช่ตนนีนะ่เห็นตนอย่างนั้นอันนี้แขนเราอันนี้ขาเราอันนี้ตัวเราอะไรของเราทั้งนั้นเนี่ยอันนี้พระพุทธเจ้าท่านไม่ยอมว่าเห็นตนเห็นตนคือมีความรู้สึกเห็นออกจากญาณในใจของเจ้าของนั่นแนะ่ะรู้ว่าสิ่งทั้งหลายนี่มีใช่ตนท่านเรียกว่าคนเห็นตนเห็นแตวไม่แบกมัน เห็นงูเราไม่จับงูเห็นงูเราหนีงูพิษงูก็ไม่ตามเราไปนั่นแหยะว่าคนรู้จักงูนะไอ้คนเห็นตนนั่นคนนั่นอันนี้คนนี้ไม่ใช่คนเห็นตนเนะีก็เพราะว่าตนนั่นแหละมันไม่มีจะ อ, อะไรมาเห็นมันเลยมันไม่มีตนนี่พระพุทธเจ้าสอนวาให้มีตนเนี่มันฟังยากเหลือเกินนะ่ะมันฟังยาก ไอความเห็นมันกลับกันอย่างนี้ล่ะมันฟังยากดูก็ยากเรียกมาคนบ้าคนบ้ากับพระอรหันต์แยกกันไม่ออกมันเหมือนกันในนั้นนะอ่ะดูดูทีเพราะมันมันมันมันสูงที่สุดกับมันต่ําที่สุดนี่ไอสูงที่สุดกับต่ําที่สุดนะจ๊ะมันจะอยู่ต่ําก็ช่างมันเถอะมันอยู่ที่สุดมะนะมันจะสูงก็จริงแต่มันสูงอยู่ที่สุดของสูงอ่ะ สองอย่างนี้มารวมกับกันแยกกันไม่ออกกันเลยนะเหมือนบ้า ก, กับพระอหรหันต์นี่เหมือนกันกัเเนเยอะแต่ว่ามันมีลักษณะเหมือนกันแต่ว่ามีคุณธรรมต่างกันอืมนะพระอดียเจ้าทั้งหลายท่านถึงที่สุดแล้วทั้งเห็นถึงอารมณ์ทั้งหลายท่านก็ยิ้มในใจของท่านเท่า น, นั้นเองยิ้มในใจของเราบ้าก็ถูกเขาว่าก็ยิ้มเหมือนกัน ยิ้มโดยที่ว่าไม่รู้เรื่องไอ้พระอาหารหันต์เจ้าทั้งนี้ยิ้มรู้เรื่องอย่างแท้จริงมันคนในอย่างนั้นจังว่า ม, มันสูงที่สุดกับที่ว่ามันต่ําที่สุดมันเลยเข้ากันอย่างนั้นบางแห่งในปัจจุบันนี้แหละยังมีอยู่ออืืมไปกราบบ้าๆบอๆอยู่นั่นแหละ ก็เนี่ยเป็นพระอรหารอยู่นั่นแล้วมันเป็นมาจากครั่งกุตฏกาโนนอืมมันวินมาอย่างนั้นดังนั้นก็เพราะเราไม่รู้จักธรรมะอันแท้จริงดังนั้นพระองค์ของเราจันจึริยสอนให้รู้จักธรรมะอย่างให้รู้จักผลไม้ทุกอย่างอย่างแท้จริงว่าระมุดมันเป็นยังไงมังคุดมันเป็นยังไงลำไยมันเป็นยังไงอะไรมันเป็นยังไงไมาให้รู้จักรู้จักผลไม้รู้จก Lemon, ัจกทั้งหมด เรารู้จักมาแล้วก็เอาคนลาไม้ทั้งหลายแต่มารวมครนในแต่กล้าอั น, นเดียวกันอืท่านั่นเนี่ยอืมให้มันปะปนกันไปหมดยังไงก็ช่างมาเถอะเราไม่ถืงไม่หลูไม่ลืมเพราะเราจำได้แน่นอนดอืมจะไปชี้ว่าไอ้ดังศาสตร์มันเป็นลํำไยล้วก็รู้จักแต่ว่ามันเยอะไปกับคนว่าอย่างนั้นแต่ว่าเราเฉยไม่รู้จระเวลาลำไยเป็นบังคุดหรือจะลำไยเป็นดังศาสตร์เราก็รู้จัก นะแต่ไม่ทวงแต่ไม่ทวงอันนี้เปรียบกับว่าโลกสมมุติเดี๋ยวเนี้ยเขาก็พูดกันอย่างนั้นไอ้คำสอนของโลกเนี่ยไอ้เมื่อเขาถึงจิตของพระองค์แล้วนะเป็นของปลอมทั้งนั้นนะมันเป็นของปลอมทั้งนั้นไนะอ้คาสอนของพระอริยบุคคลเมื่อเข้าไปถึงจิตของผู้ตุโชนแล้วก็เป็นของปลอมเหมือนกันยังงั้นมันจึงบ้าคนได้อย่าง น, น, ม น, งานางนะมันพูดยากเหมือนกัน น, นี่ เอคำสอนของท่านอมเนี่ยมันไม่ไม่ค่อยเข้ากันไม่ค่อยเข้ากันอย่างงั้นพวกเราเป็นคนระบุาดลานเตียงปีนามันยากมันปีนาลาบากเกินอืมอยังเรามาทําบุญกันอย่างนี้อยากจะได้บุญแหมทําบุญแต่ข้านเจาก็เป็นไข้เป็นโรคไม่หยุดไม่ค่อยไม่ค่อยสบายใจโลกติดต่อกันบุญท่านเจ้าก็ไปทําอยู่เรื่อยๆไม่แค่ว่าจะมาแก้บุญตรงนี้ไม่ใช่ว่า ไม่ใช่ว่าจะให้มันมัเจ็บมันปวดมันคนในอย่างกันแล้วจะทําบุญในบ้านเราเนี่ยให้แมวตัวนี้กลายเป็นสุนัขหรือให้สุนัขกลายไปเป็นแมวยังไงเนีมันคนในอย่างกันอืมมันคนในอย่างกันให้ร่างกายนี้มันเป็นอย่างหนึ่งไอ้พระพุทธเจ้าทำมามันเป็นไปอย่างนี้อืมมันเป็นไปตามเรื่องของมันไม่ใช่ว่าเราจะทําบุญมาให้มันเก็บมันไข้ ไม่ให้มันอะไรต่อไดๆอย่างมันคนได้เรื่องกันก็เพราะมันเป็นอย่างนี้แหละพระพุทธเจ้าจึงมีไหวใจมันให้เราพานมันหนีไปสะอย่างนี้อือเราก็ยังเสียดายอยู่นั่นแหละมันเสียดายเสียดายอยู่มันก็ยังไปไม่ได้อย่างนั้นอืมอันนี้มันเป็นเรื่องของอย่างนี้อันอย่างไรก็ช่างมันเถอะให้เข้าใจว่าการกระทำบุญสุนทานเดียวเนี่ยทําเพื่ออะไรทําเพื่อให้มันไม่มีทุกข์ไม่มีทุกข์ ทำเพื่อไม่ให้มันมีทุกข์ให้มันเบามันบรรเทาทุกข์เองมันค่อยๆหมดไปมันบรรเทาทุกข์ถ้าทำบุญให้บรรเทาทุกข์มันต้องทำบุญด้วยทำกุศลธรรมด้วยถ้าไม่เอากุศลธรรมก็ไม่มีปัญญาบุญอย่างเดียวเหมือนเนื้อกับปลาที่มันสดๆเอาทิ้งไว้เฉยๆมันก็เน่าออเท่านั้นแหละ <c oughs> นะนี่อาศัยเกลือเป็นอยู่เนื้อ <c oughs> หรือปลานั้นมีอายุไปนาน นะเลีอยกเข้าตู้เย็นซะอย่างนี้มันเป็นเสีอย่างนั้นปัญญานี้ท่านจึงบอกว่ า, วานัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีนัตถิตันหาสมานะเทแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มีคำนี้ยันกันเลยยันกัน 1 100้อยเปอร์เซนเท่ากันเลยตรงนี้ก็จริงอย่างนั้นอไอความอยากนีไ่ไม่มีจบไม่มีจบตันหาคือความอยากนี่ยังนั้นพระพุทธเจ้าท่านว่าการทำก็ทำเถอะอให้มันเป็นตันหานการกินก็กินเถอะอให้มันเป็นตันหาการดูก็ดูไปเถอะ ย่าให้มันเป็นตัญหาอยู่ในโลกนี้ก็อยู่ไปเถอะให้มันรู้จักโลกอย่าให้มันเป็นตัญหาคือทำโดยการปล่อยวางมันซันั่นก็อยู่ตรงนั้นเลยในคิดเสมอว่าเรามีช้อนอันหนึ่งเอาไ้ทำไมช้อนเอาไว้ตักแกงซดกัไปนะแต่ว่าเราไม่ทานช้อน็น่ไหมแต่เอาช้อนเข้าในปากอยู่จนเราไม่ทานช้อนหรอกทานแกง ทานแล้วก็เก็บช้อนทำไมาอีกอืมถ้ามีคนมาถามว่าเก็บช้อนไปทําไมเก็บไปซดแกงไม่ใช่คุณกินช้อนทีนี่เขาจะมาว่าแห้เ ว, ว่าก็ช่างเขาแต่ความเปจริงเรารู้จักมาช้อนไม่ใช่ของบริโภคอย่างนี้เรารู้เราอย่างนี้ใครจะมาเราเอาช้อนไปชดแกงเท่าไรไม่ทานช้อนเท่าไหรแล้วก็เฉยสบายนี่คืออย่างวันที่เรารู้อย่างชัดเจน นี่เรามีอยู่ริการปล่อยวางแล้วก็ใช่ช้อนของเราดรื่อยๆไปฮะเรื่อขันตักน้ํำเราเนี่ยโอ่งน้ําอย่างหนึ่งน้ําอย่างหนึ่งขันตักน้ําอย่างสามอย่างที่ก็ตัวเราเนี่ยอืมแต่ว่าเราจงใจเราจะต้องดื่มน้ำํำดื่มน้ำจะต้องเอาขันไปตักแต่ไม่ใช่ว่าเราไปทานขันเนี่ยแต่แเราเก็บขันนั้นไว้โดยการปล่อยวางที่ไหว ไอ้ขันนี่เราทานมันไม่ได้เราไอ้ที่เราจะดื่มมันก็คือน้ำแล้วก็เก็บไปมีคนคนหนึ่งมามาว่าให้เราอยู่ไปเก็บขันนี่ไว้ไว้บริโภคกันนี่อย่างนี้เราก็สบายของเราอยู่ก็เพราะเราไม่เป็นอย่างนั้นดังนั้นพระพุทธจเจ้าแตอ่อาศัยตัวเองอาศัยตัวเองคําที่ว่าตัวเองอ่ะคือมิใจตัวนั่นแหละถ้าไปอาศัยตัวเองนี่จริ่งแล้วเนี่ย ดี๋ยมันก็ล้มนะอีกไม่กี่ปีมันก็ล้มนะไม่อาใช้ตัวอันนี้อันนี้มันเป็นเรื่องสมมุติช่อนกันสมมุติมันช่อนสมมุติกันก็ต้องเรียกตามภาษาสมมุติคนเราเนี่ยทว่เรียกว่าต้นอืมตนเพื่อให้มันเป็นภาษาเฉยๆไอ้ความเป็นจริงสิ่งทั้งหลายเหล่านี้พระพุทธเจ้ากันสอนว่าธรรมารู้ธรรมะให้มันจบอะ้วไม่มีอะไรจะเหตุเป็นเหตุทุกเกิดขึ้นมาอะไรมันเป็นคนได้อย่างละอย่างอย่ามันไปเกี่ยวพันกัน แต่เราจับเอามาเกี่ยวพันกันใช่เราก็ไปยุ่งกับเขาใช่เราก็ไปยุ่งกับเขาใช่ไอความไปยิงสิ่งทั้งหล้ยไม่ยุ่งอ่ะอย่างที่ว่ามาก้อนหินก้อนนั้นมันทิ้งอยู่อย่างนั้นไม่ยุ่งกับเราแล้วมันจะยุ่งกับเราเมื่อเราอยากจะได้ก้อนหินก้อนนั้นเท่านั้นเนี่นะในตัวก้อนหินก้อนนั้นมันไม่มีอะไรแล้วมันก็อยู่เป็นธรรมชาติอย่างนั้นนี่นี่เมื่อความคิดอยากจะได้ก้อนหินก้อนนั้นขึ้นมาก็ไปยกมันก็หนักเอาทีมันหนักไปมันหนักเดี๋ยวเนี้ยหนักไประยกมันเนี้ย แต่ก่อนมันหนักไว้ไม่มีหนักอ่ะไม่มียังไม่เกิดมันไม่เกิดหนักมันก็อยู่อย่างนั้นแหละมันเป็นหนักตรงที่ว่าเราต้องการมันไปยุ่งกับมันมันก็ยุ่งกับเราไม่ใช่มันยุ่งกับเราเนี่ยไอ้ความเป็นจริงมันฝ่ายเดียวทั้งนั้นเนี่มันฝ่ายเดียวทั้งนั้นอย่างเราใช้ถ้วยใบหนึ่งมันแตกเราเสียดายใครผิดอ่ะือใครเป็นทุกถ้วยที่เราไปทุกไม่ไปเกี่ยวข้องกับเราเนี่ยนะ ไอ้ถ้วยมันก็แตกก็เฉยเฉยถ้าไม่ไม่แตกมันก็เฉยเอยู่นี่นะนี่ยมันไม่น่าจะเป็นทุกข์อย่างนั้นเนี่ยนี่มันคนได้ย่างกันแต่เรามันถ้วยเรามันแตกเป็นทุกข์นี่เพราะอะไรมันเห็นชัดอยู่อย่างนี้นะพันธะแยกกอกอย่างนี้พระพุทธเจ้าของเรานี่ยถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นเรามายุ่งกับมันมันก็ไม่มีอะไรกับเรามันก็หมดเรื่องกันเท่านั้นเนี่ยงั้นโยมมีจานมีมีจานมากๆามีถ้วยมากๆากเนี่ยอยู่ในบ้านก็ต้องพิจารณาอย่างนั้นอืมนะ แต่ก็บอกลูกนะบอกให้มันระวังให้มันเช็ดให้มันสะอาดให้มันเก็บไปดีกลัวมันจะแตกสอนลูกต้องสอนอย่างนั้นอย่าไปสอนมาช่างมันจะรูปมันจะแตกวันน้ก็ช่างมันเธอไม่ใช่ของเราหรอกไม่มีถ้วยใส่แกงนะมันจะหมดนะนี่เรื่องสอนคนต้องสอนมาอย่างนี้มันเป็นคนในเรื่องจาเป็นจะต้องสอนอย่างนั้นนี่จะต้องสอนอย่างนั้นแ้วพวรระวังนะลูกนะเก็บไปดีแล้วมันจะแตกเลยเนี่ย ดุมันอยู่เรื่อยๆแต่เราพูดอย่างใจอย่างนะถ้ามันแตกเพียกจริงๆเนี่ยเราต้องว่าเลยมันแต่ว่ามันเจ็บๆไปดเรื่อยมันระวังไว้อย่างงั้นไม่มีไม่มีเงินติดจะซื้อซื้ออะไรมาใช้มันหมดไปอันนี้คือบอกให้คนปฏิบัติมุ่งทำมุ่งมีนายอย่างนี้ถ้าไปสอนอย่างธรรมะสูงๆอย่างผู้ใหญ่กระท้วยไม่มีแล้วในว่าหมดแตก ห, หมดไม่มีใครร่างมันหรอกนี่มันเป็นเรื่องของอย่างนี้ อย่างนั้นพระพุทธจเจ้าแต่ฟังธรรมะจะเข้าใจผู้รู้จักธรรมะไม่ใจ่ผู้ที่เกลียดค้านต้องเป็นคนฉลาดจะ ต, ต้องเป็นคนขยนันอืเป็นคนขยันหมันเพียนแต่ว่าขยันพูดขยนันกระทำก็ทำโดยการปล่อยวางโดยการปล่อยวางทําในความสงบระงับอย่างนั้นพระพุทธเจ้าท่จึงสอนว่าไอ้ทํางานมันก็สบายทําโน้นทํานี้มันก็สบาย ที่มันเป็นสมาชีวะมันก็สบายถึงแม้มันหนักหน่อยมันก็สบายเพราะโทษตรงนั้นไม่มีอย่างนี้นทิฏฐิคือความเห็นมานะคือความไปยึดไว้สองอย่างนี้มันเกาะกันทิฏฐินี้พระพุทธเจ้าไม่ต้องไม่ต้องอะไรหรอกดูที่ในใจของเราเห็นไหมมันความเห็นวันหนึ่งมันเกิดยังไงบ้างมไหมที่มันเกิดขึ้นมาน่ยเราตามรู้ได้ไหมนะนี่ย มันมันมันมันเกิดความคิดอย่างหลายๆอย่างนะแต่ว่ายังไงก็ช่างมันเถอะแต่ว่าไอ้ตัวมานะที่เขาไปยึดเลยเป็นตัวที่สําคัญมากที่สุดนะดีชั่วอะไรอย่าไปยึดมันอย่าไปยึดมันให้ดูมันเถอะพระพุทธเจ้าท่านว่าอย่าไปยึดมันไอ้ทิฏฐินี้ท่านแปลว่าความเห็นถ้าทิฏฐิไม่ฟังใครมันก็เป็นมานะเท่านั้นเองไอ้ความเห็นท่านเนี่ยเอาปล่อยวางถ้ามนุษย์เรามาคิดดูไอ้ปล่อยวางเราจะอะไร อย่างนี้เป็นต้นมันก็ลาบากกันยังไม่เข้าใจธรรมะอือย่างพระพุทธองค์ท่านสอนว่ะเออย่างคนเราเนี่ยถ้ า, ากว่าทําทําสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยเนี่ยตายไม่ได้เกิดเสียใจสแสดงตกใจกลัวจะไม่ได้เกิดไอ้ความจริงที่พระพุทธเจ้าท่านสอนว่าอยา้มาเกิดดันแนี่นมันดีถ้าเราไม่ได้เกิดจะกลัวจะไม่เห็นหน้าลูกหน้าหลานจะไปอยู่อะไรเฮ้ยวุ่นขึ้นมาเลยนี่ เราไม่คิดด้วยที่เราทุกทุกวันนี่เพราะเพราะเราเกิดมาเห็นไหมพอเราเกิดมามันจึงมีทุกเกิดขึ้นมานี่อืมยชาติทุกสราธิทุกปยาธิทุกเพราะความเกิดมาอมืถ้าหากว่าคนเราบางคนนะ่ะคิดว่ามันบาปไม่รู้จะฝูดจะเกิดแล้วนี่มันก็เขาแง่พระพุทธเจ้าสอนว่ามาให้เกิดนะมันเป็นใจอย่างนั้นอืทีนี้ไอความเกิดนี่คือคนมันอยากจะเกิดมา แต่เกิดมาแล้วมาให้เราม่ให้เราเป็นโลกเป็นภัยใหเราอยู่สบายอายุาให้ยืนยืนมันมันคิดไปเสียอย่างนั้นเพระพุทธเจ้าเนี่ย น, นั้นเหตุตายคือเหตุเกิดนั่นแหละที่มันเกิดมานั้นนี่ยคือสมัครายแล้วอย่างเนี้ยอย่างวัตถุที่เรายังไม่มีมาในมือเราเดี๋ยวนี้วัเราแสดงหาได้มาเป็นตัวคนเดียว น, นี้แหละมันจะแตกแล้วมันจะหายแล้วเพราะอะไรเพราะมันมีอยู่นี่ ที่มันมีเนี่ยอย่างกระโถนไว้เนี่มีถ้าซื้อมาใหม่ใหม่ก็ะแตกแล้วเนี่ยมันแตกถ้าแตเห็นมากระโถนแตกแล้วนะแต่เราเห็นว่ากระโถนนี้ไม่แตกนี่ความเห็นต่างกันนะไอ้คนนึงใช้กระโถนไม่แตกคนนึงใช้กระโถนแตกไปด้วยกันเอาที่มันดูดมือดวงวันหนึ่งสักกระโถนนี้มันแตกมันก็แตกก่อนแล้วไอ้ที่พูว่ามันแตกมาแล้วไอ้ผู้ที่ยังไม่แตกเพิ่งแตกเดี๋ยวนี้ก็ร้องไห้ตอนนั้นเนี่เนี่ยยังงั้นเห็นก่อนจ้ะ เมื่อมันเกิดมาแล้วก็นั่นเนี่ยพระพุทธเจ้าตราสสอนว่าอยากจะให้มันพ้นจากความเกิดนั่นเอมแต่ยังไงแต่ยังไงมันก็อยากจะเกิดขึ้นมาอยู่นะมันอดไม่ได้ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วมีอะไรบ้างไหมล่ะมีอะไรบ้างไห ม, มนแสนทุกข์แสนยากแสนลาบากอะไรสารพัดอย่างเราก็ยังไม่เห็นโทษมันนะไม่รู้ว่ามันเป็นยังไงก็ไม่รู้จักนะไม่เห็นโทษมันทาไมี่องเห็นโทษมันนะ เราจะต้องประพฤติปฏิบัติพิจารณาให้มันเข้ารูปของธรรมะของพระพุทธเจ้าเดี๋ยวนี้นะ่ะผู้บริษัทธา้างใายยังไม่เห็นพร้อมกับพระพุทธเจ้านะไม่เห็นพร้อมนะเทศไปก็ขัดกันไปด้วยให้ขัดใจอย่างลราตายไม่เกิดอย่างนี้เนี่ยคือมันไม่ให้เกิดมาเนะี่ยถ้ามันมีแต่มันมันไปถีอ่บคําสอนของท่านที่อที่สุดของท่านมานะความยึดไว้นะ เป็นผู้เลิอดกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลือกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่ไม่ถูกนะเป็นผู้ที่เลิอดกว่าเขาเห็นว่าเสมอกับเขานี่ก็ยังไม่ถูกอีกหละเป็นผู้เลือดกว่าเขาสําคัญตัวว่าเลี้ยวกว่าเขานี่ก็ไม่ใช่อีกเป็นผู้ที่เลี้ยวกว่าเขาสําคัญตัวว่าดีกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่อีกแต่เป็นผู้เสมอเขานี่สําคัญตัวว่าดีกว่าเขานี่ก็ไม่ใช่น่ะ เป็นผู้เสมอเขาสํากันตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่อย่างอีกเป็นผู้เสมอก็เขาซํากันตัวว่าเดืวกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่อีกเป็นผู้เฉลียวกว่าเขาซํากันตัวว่าดีกว่าเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้เดือกว่าเขาซํากันตัวว่าเสมอเขาอันนี้ก็ไม่ใช่เป็นผู้เร็วกว่าเขาซํากันตัวว่าเร็อกว่าเขาอันนี้ก็ยังไม่ใช่อีกเอาอะไรกันไม่ที่นี่ตรงไหนที่เราจะเอาไปไหมนี่เราเรามาดูถ้ามาดูเะ เหตุว่าท่านจึงเห็นว่าอันนี้มีไม่มีมีไม่มีอยาให้มันมีมีให้มันมีไม่มีมีมันกลับไม่มีอย่างนี้อืมก็เรียกว่ามันหมดนั่นแหละคือเรียกว่ามันหมดใลยมันหมดมานะเก้าทั้งหลายท่านในทิ่งมันจะเต็มทิ่งมันจะเอาอะไรคือไม่มีอะไรถ้ามีอะไรอยู่มันก็ยังมีอะไรอยู่นั่นเองแหละอันนี้พูดถึงก่สูงเหมือนนะอืม แต่ว่าพูดถึงพี่ไอ้คนเราอยากจะมีความสุขอยากจะร่ําจะรวยเนี่ยอันนี้ก็เดียกว่ามันไม่พ้นทุกข์คือบุญอย่างงั้นจะมาสร้างบุญไปด้วยกระพิจารณาไปด้วยคือกุศลคือปัญญานะไม่จะทําลายมันดีทีมันคล้ายๆกับอีทีเลข่ะมันมีคูณมันมีบวกมันมีลบมันมีหารมันถึงจะได้จํานวนมันที่เราชอบใจตามจํานวนของเลข่นะอันนี้เราไม่เอางานที่มันดีทีคูณอย่างเดียวไม่มีทีใส่กันนี้ไหมล่ะ วิธีคูนก็วิธีบวกรวมกันเข้าไปเรื่อยๆวิธีลบไม่มีอ่ะวิธีแบ่งก็ไม่เคยจะมีเลยเนะถ้ามีวิธีแบ่งมันก็เบามีวิธีลบมันก็เบานี่มันมีวิธีบวกก็วิธีคูนมันก็ยิ่งไปกันใหญ่เท่านั้นเห็นะมันก็เกิดว่ากลับมาตัวหลึ่เป็นคนที่เห็นแก่ตัวอ่ามันเป็นไปอย่างนั้นเนี่อย่างนั้นการกระทำบุญกุศลนี้เนี่มันจึงมีสองคำกุศลเกิทําไปให้มีความฉลาดขึ้นอืม มีความฉลาดขึ้นให้มีความรู้รอบคอบในสิ่งที่เราได้มานั้นให้รู้จักึ้นมาของครอบครัวของเราเนี่ยเราได้กันมาครอบครัวนี่จะต้องมีปัญญาสามารถที่รักษาครอบครัวของเราเนี่ให้มันคุ้มกลับไปบ้านเนี่ยก็สามะบุญอยู่ที่ไหนไม่รู้เรื่องกันเนี่ยไม่รบุญถึงไปกราบพระยายไปกราบพระหลานและแม่กรา บ, ราบพร ะ, ะที่ไหนตอบหลานนี่ได้ นะบุญนี่ก็ตอบไม่ได้ก็เพราะว่าเราไม่รู้จักบุญนั่นเองทําไปทําไปเพื่อทำเงินไปเรื่อยๆไปอย่างนั้นอันนั้นเราเป็นพุทธบริษัทที่ฝึกหัดอันนี้ย่าให้มันหลงเหมือนผลนาไม้ในตะกร้าในหลายะที่ก็ช่างมันเถอะจะไปเทรวมๆกันเป็นกองๆเราก็ไม่หลงหรอกผู้ศึกษาในธรรมะของพระพุทธเจ้าของเรารู้เรื่องตามความเป็นจริงแต่ไม่หลง มันจะเป็นไปยังไงก็ไม่รู้เหมือนเรารู้จักผลไม้นานาชนิดอารมณ์ตะก้าเดียวกันมันจะทับกันอยู่ก็ช่างมันเถอะเรารู้มันชัดเจนแล้วผลอะไรตอะไรเรารู้เราชี้ถูกตรงนั้นเองถ้าเราเข้าใจในธรรมะของหลักพุทธศาสนาแล้วก็อย่างนั้นใครจะพูดกันไปตรงไหนก็ช่างมันเถอะนะเรารู้จักอยู่แล้วในทางพุทธศาสนามันก็ผลไม้มันจะทับกันอยู่กี่ชั้นก็ช่างมันเถอะ เราล้วงพ้เงาะเป็นเงาะผลนลำไยเป็นลำไยลังศาสตร์มันเป็นรังศาสตร์มันนี่มันไม่หลงอย่างนั้นอันนี้สูตรธรรมะของพระพุทธเจ้าท่านสอนมาเพื่อไม่ให้หลงอย่างนั้นไม่หลงนะถึงแม้ในความดีมาก็ยังไม่หลงดีอีกถึงในความชั่วมันเกิดขึ้นมาก็ยังไม่หลงชั่วอีกเนะี่ยมันดูไปถึงขนาดนั้นแต่พระพุทธเจ้าของเรท่านสอนให้รู้จักข้อประพฤติปฏิบัติในใจของเจ้าของ ไอ้ความจริงจริงการประพฤติปฏิบัตินี่ไอ้ความรู้อันเนี้ยไอ้มันเกิดจากจิตบริสุทธิ์นั่นอย่างหนึ่งมันเกิดด้วยสัญญานั่นอย่างหนึ่งมันต่างกันหลายนี่มันเอาเข้ากันไม่ได้มันของบริสุทธิ์กับของไม่บริสุทธิ์นี่มันเข้ากันไม่ได้นี่ปนกันไม่ได้อนี่ไอ้ธรรมะที่มันเกิดมาจากจิตนั่นน่ะมันก็แค่ล้ายกับเดียวว่าตาน้ำตาน้ำที่มันซึมซาบมามันแห้งไม่ได้มันไหลเพรมันอยู่อย่างนั้น ไอ้ความรู้ตามสัญญาของเราที่มาใกล้ายน้ําในโอ๊มหมดน้าฝนแล้วก็แห้งเท่านั้นเนี่นี่ก็เป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องจิตของเราที่รู้ธรรมะที่บรรลุธรรมะแต่ว่าคนเราทุกวันนี้ว่าบรรลุธรรมะยี่ก็กลัวแล้วเอ๊ะบะคำนี้มันสูงไปชะละนะนะบนรรลุธรรมะนี่มันสูงไปแคเนี้ยไม่ค่อยอยากแก้พูดหรอกถ้าใครพูดจะคนจะแคงตะแคงในใจธรรมะนะลองไปพูดเนี่ยกลับไปว่าฉันบนรรลุธรรมะแล้ว คนตาตรึงเลยทีเดียวเนี่ยบรรดุธรรมะไอ้ความไปจริงคํานี้เป็นของสมมุติไม่ใช่ว่ามันสูงมันต่ำหรอกอย่างพวกญาติโยมทางหลายมาวัดประพรมวันนี้เดียกว่าบรรดุวัดหนองประพรมวันนี้ไม่แปลกอะไรกันยังมาถึงวัดหนองประพรมวันนี้ก็ได้รู้วัดหนองประพรมก็ได้ถ้าพูดภาษาธรรมะเนี่ยบรนดุวัดหนองประพรมก็ได้นะถ้าเราเรียกว่าเรารู้จักว่าอันนี้มันเป็นบาปเป็นบุญแล้วเราก็รู้จักมันเดี๋ยวเาบรนดุธรรมะก็ได้นี่ ธรรมาวารุธรรมะตกใจคนเราน่แมเนี่ยมันก็เป็นใจอย่างนั้นอันนี้มันเป็นภาษามันเป็นภาษาให้รู้ความเข้าใจกันไนดะ้ภาษาอย่างหนึ่งพูดไปอย่างหนึ่งก็ น, นั้นเนี่ยไอ้ความเป็นจริงก็เป็นธรรมดาของเราอย่างพระพุทธเจ้าเสวธ ร, รมาว่านะใครเป็นพระพุทธเจ้าไหมท่านผู้สอนในประชุมชนพระพุติชอบอยู่ตายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าดูตรงนี้ดี นั่นก็ว่าเรื่อยๆเพียงใดเนี่ยดูไปดอืมเนี่ยแต่เราคนเดียวแม่เมื่อฉันเกิดพร้อมพระพุทธเจ้าฉันก็จะไปแล้วลขนาดเนี้ยเนี่ยนึกว่าพระพุทธเจ้าองค์นั้นผ่านไปแล้วนะในความเป็นจริงสิ่งที่เมื่อเราเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้าอันนี้ก็ฟังยากนะคนที่ยากนะเอมเราเห็นพระพุทธเจ้าเราก็เห็นธรร ม, มะอืม เมื่อเราเห็นธรรมะเห็นพระธรรมล้วก็เห็นพระพุทธเห็นพระพุทธก็เห็นพระธรรมเห็นพระพุทธพระธรรมล้วก็เห็นพระสงฆ์อันนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าเลยให้พระพุทธอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงฆ์อยู่ที่ใจให้มันเห็นชัดอันนั้นเราจับทันไหมชัดเฉยเฉยเนี่ยพระพุทธอยู่ที่ใจของข้าพระฉันพระธรรมอยู่ที่ใจของข้าพระสงฆ์อยู่ที่ใจแต่การประพฤติมันไม่เรียบร้อยนะไม่สมกับพระพุทธอยู่ที่ใจ ไม่สมกับว่าพระธรรมอยู่ที่ใจพระสงค์อยู่ที่ใจคือจิตมันเป็นคนที่จะรู้จักธรรมะท่นานนี้แบบผู้รู้พระพุทธองค์ที่ท่นานจัดไปแล้วเนี่ยก็จัดธรรมะองค์ธรรมกัตทรู้นี่เด็กกัตทรู้นี่ท่านไม่เอาไปแล้วท่านก็ทิ้งไปในนี้แหละแต่พูดง่ายๆอย่างพวกครูเราเนี่ยครูโรงเรียนเน่ยเนี่ยไม่ได้เป็นครูว่าแต่กําเนิดนะมาเรียนวิชาครูถึงได้เป็นครูกันอืม ได้สอนตรงเรียนซะได้เงินร่บเงินเดือนกันครับอยู่เปน็นนานก็เลยตายไปใช่ไหด้ตายไปตายจากครูไปใช่ไหมถ้าหาพูดอย่างหนึ่งที่เรียกว่าไอคไานะ้ครูนั้นยังไม่ตายนะครูนั้นยังไม่ตายคือคุณธรรมที่ทําครูนั้นให้เป็นครูนั้นยังอยู่อย่างพระพุทธเจ้าคนนั้นศัพท์ธรรมที่ทําให้คนคนนั้นเป็นพระพุทธเจ้ายังอยู่ ไปนี้ไปที่ไหนก็ได้เกิดเป็นพระพุทธเจ้าสององค์ที่นี่องค์หนึ่งก็เลยเป็นรูปองค์หนึ่งก็เเป็นนามนะธรรมะที่แท้จริงนั่นแหละพระพุทธเจ้าถึงสอนอนุ์ให้ท่านประพฤติไปเถอะให้ท่านปฏิบัติไปเถอะท่านจะงอกงามในพระพุทธศาสนาผู้ไรเห็นธรรมผู้นั่นก็เห็นเราผู้ไรเห็นเราผู้นั่นก็เห็นธรรม นี่ไม่รู้ว่าเป็นยังไงถึงเป็นอย่างนั้นฟังอย่างหนึ่งพระพุทธเจ้าก็เป็นธรรมพระธรรมก็เป็นพระพุทธเจา้ามันสับสนกันไอ้ความจริงมันเป็นอย่างนี้ไอ้พระพุทธเจ้าแต่ก่อนก็ยังไม่มีจะได้เรียกชื่อว่าขนานชื่อของท่านมาเป็นพระพุทธเจา้าก็ในเมื่อที่ท่านมารู้ธรรมอันนี้เท่านั้นเนี่ยแต่ก่อนก็เป็นชี้ธารรตรตะกุ ม, มารถ้าพูดมาถึงตรงนี้ก็เหมือนกันกับเรานั่นเองเนะี่ยเราก็เป็นตาสีตาสาตามีตมาอยู่อย่างนั้นเนี่ยนะ ถ้าเรามาันรู้ถึงธรรมมันแท้จริงแล้วนะ่ะมันก็จะเป็นพระพุทธเจ้าอย่างเดียวกันนะเนี่ยไม่แปร ก, กันดอกอย่างนั้นให้ญาติโยมทั้งหลายว่าให้เข้าใจว่าพระพุทธเจ้ายัางอยู่นะออืเข้าใจสวันนี้ว่าพระพุทธเจ้ายัางอยู่เราทําที่ไหนที่ไหนคือมันเป็นสัจธรรมแล้วเราทําชั่วยอยู่ที่นี่ไม่เป็นไรเหมือนมีใครเห็นจะไปว่านะพระพุทธเจ้าเห็นอนะ่ะอื ท่านยังอยู่ทุกวันนี้ยังพยายามคอยจะประคับประคองพวกเราเดินทางให้มันถูกต้องอยู่เสมอแต่เราไม่เห็นจะเราไม่รู้เรื่องอย่างนั้นผู้ประพฤติปฏิบัติแล้วเนี่ยจะทําความดีความชั่วทีท่านไม่ได้สงสัยแล้วเว่าท่ามีพยานอยู่แล้วไม่ได้สงสัยไปทําชั่วที่ไหนมันก็มีแล้วทำไมไม่มีไม่มีใครเห็นก็เราน่ะเห็นเรานาะเออนะไปทําชั่วที่ไหนไม่มีใครเห็นไม่มีไม่มีใครเห็นก็เราเห็นเราล่ะอย่างนี้ ยังนั่นทำชั่วที่ไหนทําดีที่ไหนไม่พ้นเธอเดียว่ากรรมมันรู้ตาม <c oughs> ก็ความจริงนะคือความจริง <c oughs> ในการกระทํามันมีอยู่แล้วนะพระพุทธเจ้าคนมาตัดคำตัดสรู้ไอ้ความจริงอันนี้ไอ้ความจริงอันนี้จริงประพุทธเป็นพระพุทธเจ้าต่อไปในโลกอันนี้ถ้าใครทุกคนเธอมาประพฤติธปฏิบัติ บ, ตบรรลุคุณธรรมคือความจริงเจนนี้มันก็เปลี่ยนเป็นพระพุทธเจ้าเป็นท่าน ท่านผู้สอนในประชุมชนประพฤติ ช, ชอบแต่ตายวาจาใจที่เรียกว่าพระพุทธศาสนาชื่อพระพุทธเจ้าอย่างนั้นพระพุทธเจ้ายังอยู่นะจงดีใจเถอะอย่าไปเสียใจเลยบางคนนึกโมโหแหมถ้าพระพุทธเจ้ายังอ ย, อยู่ฉันไปแล้วนะแน่เอากันซะ อ, อย่างนั้นนี่อความเป็นจริงคือความจริงนั้นมันยังอยู่ที่เราทําไปนี้มันถูกความจริงหรือผิดความจริงมันก็ถูกก็ผิดของมันอยู่นั่นก็เรียกว่าพระพุทธเจ้าโดยนามธรรมายังมีอยู่ เออฉะนั Entonces, ้นผู jo, ้ประพฤติปฏิบ ¿no? ัติด้านท่านจึงเคารพเคารพทำไมก็ท่านเห็นพระพุทธเจ้าอยู่นั่นน่ะนั่งอยู่นี่ก็เหมือนพระพุทธเจ้าอยู่ต่อหน้านี่เดินก็เหมือนพุทธเจ้าต่อหน้านี้ไปไม่ได้เนี่ยนั่นท่านเห็นประจักษ์ในใจของท่านท่านจึงเคารพแต่พุทธธรรมประสงค์อยู่สม่ำเสมอนั่นไม่จืดจางอือย่างนี้ไม่ได้รับก็เพราะท่านเห็นว่าอยู่ในใจของท่านอยู่แล้วมันเห็นอยู่อย่างนี้ ว่ามันไม่หายไปตรงไหนเห็นอย่างนี้ก็ได้เราเห็นธรรมะเห็นธรรมะก็เห็นพระพุทธเจ้านี่มันเป็นอยู่อย่างนี้ฉะนั้นจริงว่าเมื่อเราเห็นพระพุทธเจ้าก็เห็นธรรมะเช่นนั้นไปนั่งที่ไหนก็ได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้าอยู่ทุกเวลาแล้วติเดินอยู่เราก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่นอนก็ได้ฟังธรรมพระพุทธเจ้าอยู่อันนี้อาตมาศีรษะจะแตกไปฟังธรรมท่าน อาจารย์มั่นเออมาเถอะท่านปฏิบัติไปเถอะเดี่ยวไปฟังธรรมพระพุทธเจ้าหรอกนั่งอยู่เตาต้มต้นไม้ก่อฟังธรรมท่านอยู่อย่างนั้นนั่งก็นอนนอนก็ฟังธรรมนั่งก็ฟังธรรมอะไรอยู่อ่ะแต่มาคิดไม่ได้เลยคือมันไม่ใช่ไม่ใช่ของคิดเอานะไม่ใช่ของคิดอันนี่ยมันมันมันมันตัวเกิดมาจากความบริสุทธิ์อไอ้จําของันทท่านเนี่ยจะพิจารณาไงไม่ได้ อย่างนี้ไอ right? the ้ความเป็นจริงคือมันเห็นธรรมะนั่นเองนะไม่ใช่อื่นไกลมันเป็นธรรมะเอจะเป็นต้นไม้จะเป็นภูเขาจะเป็นสัตว์น้อยสัตว์ใหญ่มันเป็นธรรมะทุกอย่างดังนั้นอาตมาท่านไอ้ธรรมะอยู่ที่ไหนไอ้ธรรมะที่บอกไม่มีธรรมะนั่นมันไม่มีนี่มันเป็นธรรมะธรรมะคือธรรมชาติมันเป็นอยู่อย่างนั้นอธรรมชาติอันนั้นมันก็เป็นธรรมชาติเพรมันเกิดดับเพรมันอยู่อย่างนั้นนะ ถ้าหว่าเราจะใช้ธรรมชาติฝึกธรรมชาติันนั้นอย่างกายของเราทุกวันนี่จิตใจของเราเป็นธรรมชาติเยอะมันมีการกินมันมีการดับมันมีการนอนเป็นธรรมดาของมันเหมือนกับสัตว์มันก็ใสทันนั้นเหี่ยแต่ว่าสัตว์ทั้งหลายนี่ยมันไม่รู้ภาษากันมันเป็นอภพอสัตว์เสียสั่งสอนไม่ได้มันสมองมันช้าเกินไปไม่เหมือนมนุษย์เรามนุษย์เรามันมันสนองมันเร็วมันไวนี่มันไว เวามาพูดอันหนึ่งคนหนึท่านเจีงจั๋นเป็นพักพรรษ์ควรกับจะดูทําได้ของเราอย่างร่างกายหรือจิตใจของเราเนี่ยอมันจะเห็นชั่วเห็นอะไรทุกสิ่งทุกอย่างมันก็เห็นมามีครูบาอาจารย์มาสอนมันก็ค่อยๆเข้าใจมันไวค่อยๆเข้าใจมันไวมันไวเข้าใจมันง่ายมันง่ายกว่าสัตว์อย่างอื่นมันง่ายกว่าสัตว์ทีรละชานนี่อืสัตว์ปานมันเป็นสัตว์บ้านเป็นสัตว์มนุษย์อืสัตว์มนุษย์ สัตว์มนุษย์นี่มันก็หายากนะหายากคําสอนของพระแต่หน่อจะเป็นมนุษย์นี่มันก็ยากนี่ก็คิดยากนะคิดไม่ไปถึงเนาะคือคือยังไม่รู้จักมนุษย์ที่แท้จริงอย่างนี้ถ้าเรามองมองมนุษย์จะเกิดยากใช่ไหมเกิดที่รสอนก็ยังมีเลยนึ่เราก็คิดไปอย่างนั้นเราก็ไม่ยากนีน่มนุษย์ซึ่ง ไม่มีคุณธรรมอย่างนั้นมันก็เป็นมนุษย์แบบหนึ่งมันยังไม่เป็นมนุษย์เอาชื่อก็มาโอนขึ้นมาเป็นมนุษย์เฉยๆมันเป็นมนุษย์เศรษฐีดิาโนอย่างหนึ่งเหมือนกับจตุจักร์ฉานหนึ่งนั้นมนุษย์ที่จะเกิดมาในคุณธรรมที่เป็นมนุษย์เ น, นี่ยเราเกิดมาเป็นเด็กไม่รู้เรื่องของมนุษย์ไ <c oughs> ม่รู้จักประพฤติปฏิบัติอย่างไรไม่รู้คุณธรรมของมนุษย์ไม่รู้คุณสมบัติของมนุษย์เมื่อโตมาแล้วเราฟังพ่อแม่คนเราสอน ครูว่าอาจารย์เราค่อยๆรู้ขึ้นมาก็เลยมีคุณธรรมเกิดขึ้นมาแล้วก็เลยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มันแปลกกันอย่างนั้นเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือมาได้เมื่อมันเกิดเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์คือเรียกว่ามนุษย์เพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้นี่ล้วมันเกิดยากใครจะติดตามเพรามันเกิดยากมันเกิดยากอย่างนี้ศีลธรรมนี้ใครจะต้องไปปฏิบัติบันติปฏัดยากมันถูกอยูท่ที่บันติปฏิบัติยากเช่นง่ายๆง่ายๆง่ายๆถึง เวรทั้งห้าประการเนี่ยสินห้า้ที่พวกเราพุทธบริษัททั้งหลายแน่ๆสมทานกันอยู่ทากันอยู่เนี่ยอันนี้ก็คือคุณสมบัติของมนุษย์แท้ๆนะถ้าใครมีสินห้าในใจของคนของตนทุกๆคนอย่างนั้นไม่ต้องมีอะไรแล้วมันหมดมเดือดว่าสียรธรรมถึงแม้ว่ามันไม่พ้นทุก เป็นนต้ก็อยู่ในความสงบระงรับเป็นสมาชีวะในโลกก็ยังไม่เบียดเบียนซึ่งกันในกันเนี่ยอะนะถึงมาเป็นมนุษย์อยู่เป็นสมบัติของมนุษย์แต่มันจะมีเกิดมีตายก็จริงหรอกแต่ว่าเกิดมาก็อยู่ในความสบายตายก็อยู่ในความสบายมนุษย์จักอย่างนี้ไม่เบียดเบียนซึ่งกันในกันอันนั้นเป็นโลกมนุษย์แท้แท้ที่สมบูรณ์เนี่ยมันเป็นไซสยอย่างนั้นมนุษย์ที่มันเป็นมนุษย์สมบูรณ์มีคุณนามสมบัติขึ้นมา ที่เราศึกษามานี่ก็เรียกว่าเราเพิ่งเกิดเดี๋ยวนี้เกิดเป็นมนุษย์สิ่สมบูรณ์นี่ถ้าเราเข้าใจอย่างนี้มาก่อนมนุษย์จะหายากนะดูทีบ่ไอคนเราจะมีมีสินห้าสินห้าประการเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันจะมีไหมเรากาหนดดูก็ได้ในบ้านเราในเมืองเราในชนบทในกลุ่มเรามีไห ม, มบางคนก็จะตอบว่าไม่มีบางคนก็มีแต่น้อย อย่างเ น, นี้อันนี้มันเป็นหลักฐานแล้วจะมองมองดูก็ได้ว่ามันจะเกิดประโยชน์อย่างไรเรามองดูก็ได้แหละมันเห็นผลประโยชน์มันทุกส่วนโดยทีเดีย ว, วสิน้าประการนี้เนี่ยไม่ต้องมากไม่ต้องไม้อะไรถ้าใครมีคนมารักษาสิน้าประการให้มีในใจอย่างแจ่มใสของเราเถอะคนนั่นจะสบายไม่มีใครรู้จักก็สบายใจสว่างสบายนึ้อไปข้างหลังที่เป็นอดีตก็สบายใจ พราะเราไม่ได้ทําอะไรที่ยุ่งพราะการก็ทําบาปทั้งหลายนี่มานึกมาได้ที่ไหนก็สบายจะยืนอยู่นึกขึ้นมาได้ก็สบายจะนอนอยู่มานึกขึ้นมาได้ก็สบายจนจะตายนึกขึ้นมาได้เนี่ยก็สบายอ mm hmm. กรรมใดที่ทําไปแล้วภายหลังนึกไปมันเดือดร้อนกรรมนั้นไม่ดีนี่มันติดตามอย่างนั้นยกตัวอย่างเช่นวัดประพงษ์นี่นะ่ะโยมมาเนี่ยโยมมาได้หลายคนนี่นะมีคนใดคนหนึ่งซะหน่อย อมามาต่อยเอาเศียรพระวัดประโภคไปใช่ไหมนะสมมตินะนะใครไม่รู้หรนะรู้คนเดียวแต่คนที่ทํานะบันนี้ก็มาทอดปลาปลาด้วย ก, กันก็มามองเห็นเศียนพระหัดมก็ไม่สบายอยู่างนั้นนะะไม่สบายคนเดียวเท่านั้นคนที่รู้จักกันไนอะ้คนที่ไม่รู้เขาก็ไม่เป็นอะไรของเขารู้แต่คนที่ทําไม่สบายแต่คนที่ทํานี่แหละที่แกรรมชั่วที่ทําแล้วภายหลังนึกได้เรียดร้อนกรรมนั้นไม่ดีเสีแล้ว เดี๋ยเราเอาทางองค์พระมาถวายไปในวัดบาโคงหรือวัดใดว่าหนึ่งด้วยศรัทธาของเราเะเมื่อมาทําบุญอย่างนี้เลยมากราบไหว้เห็นของเราที่ได้สร้างไว้เนี่ยสาบายใจแล้ว น, นี่ได้ทำไปนานในภายหลังคิดไปก็ไม่เดือดร้อนสาบายใจอันนี้อันนี้เราจะรู้เป็นปัจจิตังรู้เฉพาะตัวของเราอย่างนั้นการกระทําบุญทุนทานทุกวันนี้กเหมือนกันฉันนั้นถึงแม้ว่าบำรุงพุทธศาสนา เป็นเปลือกเป็นผิวอย่างที่มากันวันนี้ก็ดีน่ะแต่ว่ามันก็เหมือนต้นไม้ต้นหนึ่งอ่ะแหละบางแห่งไปเที่หลายการก็ทำบุญทุนทานหรือเป็นเปลือกเปลือกเปือกเกิดเปลือกมันก็ดีเหมือนกันน่ะไอ้ต้นไม้ถ้าไม่มีเปลือกหุ้มมันก็ตายเหมือนกันเนี่ยอย่าไปว่ามันน้อยนะอืมอย่าไปว่ามันน้อยไม่มีใบมันก็ตายไม่มีโคนมันก็ยิ่งไปกันใหญ่อ่ะมันอาศัยสามัคคีซึ่งกันและกันนั่นเองนะไม่ใช่อื่นไกลแล้วมันมีประโยชน์ทุกส่วน เราเข้าใจสะอย่างนั้นก็เรียกว่าการกระทําบุญกันเสียเดี๋ยวการกระทํากุศลให้มันเป็นบุญให้มันเป็นกุศลคือให้มีปัญญาอย่าทำไปโดยมูคาทําไปอย่างเป็นพุทธบริษัทของพระพุทธเจ้านั่นเองให้มีเหตุผลทําแล้วไปมันได้บุญทใใญีให้มันได้บุญให้มันได้บุญโดยจักจถามกลับไปบ้านหรือไม่ไปทอดปลาปลาได้บุญ ไ, ไหมได้ตีตรงไหนมันเป็นไงก็นั่งขี้แจงก็ฟังก็ได้บุญมันเป็นอย่างนั้นอย่างนั้น ไดนี่นี่คือความเข้าใจของเราเช่นนี้ที่ตางการะทําทั้งหลายแล้วมันเป็นอุบายซะอย่างนั้นในการพูดธรรมะทั้งหมดนี่ก็เป็นอุบายทั้งนั้นให้เข้าใจในที่ตรงนั้นอืให้เข้าใจในที่ตรงนั้นอืมเป็นของสมมติเป็นอุบายคือตัวธรรมะจริงๆมันมองเห็นไม่ได้แต่แล้วแต่ว่ามันมีอยู่ต้องยกหยิบยกอันอื่นขึ้นมาพิจารณากันเช่นว่าครูโรงเรียนสอนนักเรียนนะ สมมติว่านายกอมีเงินเท่านั้นเ่าเนี้ยแต่ว่านายกอไม่มีที่นั่นจะทําไงล่ะแกต้องเอาช็อคมาเขียนเป็นตัวกอกันนี่แต่สมมติว่านายกอเนี่ยมันจะเป็นนายกไหมเป็นสมมุติแต่นายกวิ่งไม่ได้เนี่เป็นตัวกได้สมมุติว่านายกได้มันมีเงินทถวนั่นก็ได้มีเงินแถานี้ก็ได้เนี่เป็นนายกโดยสมมุติแต่นายกคนนี่สําเร็จในการสมมุติจะใช้นายกอีวิ่งไม่ได้ เพราะมันเป็นตัวกอมันก็เป็นตัวกอให้เราอยู่งั้นอันนี้เรียกว่าอุบายให้เรารู้จักว่านายกอไม่มีต้องเขียนตัวกอลงไปให้มันสําเร็จประโยชน์อย่างนั้นอย่างงั้นภาษาทั้งหลายเนี่ยบางทีเราก็ฟังไม่ได้เหมือนกันมันฟุ้นไปอันนี้ก็เหมือนกันฉันนั้นอันนี้หลักธรรมที่เราบวชปฏิบัติถ้าเรามีสติมีสมัมปชัญญะอยู่ตรงไหนก็ทางมันเทอดบางคนก็เข้าใจว่าที่ฉันไม่มีเวลาจะภาวนาทำไมขายของอย่าง ออ่าืมขายของใชนะ่ไหมในเรื่อภาวนาโยมขายของโยมไปหายใจไหมหายไปจากกันเอาทำไมมีเวลาล่ะ้าไม่มีโอกาสหายใจล่ะทาไมไม่อึดลไมไว้เนี่ยไอการเรื่องภาวนานี่ไม่ใช่เรื่องอื่นนี่นคือเรื่องความรู้สึกนึกคิดเราก็คิดว่าจะมานั่งแต่รับจายอยู่ในกลางตลาดเท่านั้นเดี๋ยไม่ได้อย่างนั้นความรู้สึกนึกคิดการพิจารณาเนี่ยให้รู้จักว่าวันนี้เราทําอะไรอยู่ เราผิดหรือไม่ไม่หรือเราถูกไม่เราสุขไม่หรือเราถูกข์ไม่เอาเป็นอะไรเป็นอยู่เดี๋ยวเนี้ย <Of. S 1> เรียกว่าเราจะทําอะไรอยู่แเราก็ได้ภาวนาอยู่ได้ปฏิบัติอยู่ <people> นี่เรามีสติอยู่ได้ปฏิบัติอยู่อย่าง น, นั้น<ๆ>รู้จักความผิดชอบเราอยู่เสมอ น, นั่นแหละเรียกว่าการภาวนาวันนี้เราพูดผิดหรือเปล่าวันนี้เราทําผิดหรือเปล่าวันนี้เราคิดผิดหรือเปล่าอย่างนี้ถ้าเรามีสติอยู่เราก็ต้องรู้จักสิ รู้จักถ้ามีสติอยู่เสมอแนละ้วเป็นต้นก็ต้องรู้จักไอความรู้สึกของเรานั้นอยู่เสมอทีเดียวเนี่ยอย่างนั้นโยมท่างหลายจะเพิ่งเข้าใจว่าการปฏิบัติได้จะมาบวชในวัดอย่างเดียวนะ่ยไม่ใช่อย่างนั้นการปฏิบัตินั่นก็คือการมีสติทรงตัวอยู่รู้อยู่นะรู้สึกความผิดชอบอยู่เสมอ น, น, นั้นเนี่ยแม่ไอจะเย็บจักรอยู่ก็ได้จะขายของอยู่ก็ได้ก็เขียนหนังสืออยู่ก็ได้นั่นคนืเท่าๆกาับลมหายใจเรานั่นเองเนี่ยปฏิบัติเนี่ย อถึงแม้ว่าเราจะอะไรอยู่เราก็หายใจอยู่เนี่ยเราหายใจอยู่ด้วยเราจะทำข้ากวก็าหายใจเราจะนอนก็หายใจถึงไม้เับไปก็าหายใจอยู่ถทำไมมีเวลาหายล่ะนี่ทำไมนี่นี่มีเวลาหายใจทำไมมันเป็นของจําเป็นเกินอันี่เพราะว่ารมนี่มันเป็นอาหารอย่างละเอียดที่สุดเป็นอาหารอย่างชนิด <c oughs> ดีมากแต่คนเราก็ไม่ได้พิจารณาอย่างนั้นนะคงจะว่ามันในเป็นอาหารก็ได้นะในความเป็นจริงลมมันเป็นอาหารอย่างยอดนะ เราจะไม่ทานอาหารคือรวมสักสักสองนาทีก็ไม่ไหวแต่เดี๋ยวนะนะ <c oughs> เอาดีไ อ, อ, อ, อ, อ้ขนมไอ้ขนมอย่างดีๆเนี่ยอาหารอย่างดีๆเนี่ยนะอีกสามชั่วโมงเราไม่ทานมันก็ได้นะวันหนึ่งวันทีก็ได้เนะี่หกวันเกี่ยวกับเก้าวันก็ยังได้เนี่ยอหารแต่ลมนี่ไม่ได้นะขนาดนาทีหนึ่งก็เต็มทีนะเนะ่จะไม่ไหวแล้วนี่บางที่อึดใจไปดิเดินไปที่ไหนไปกี่เส้นไหมนั่นแหละ เราจเดี๋ยโอ้นะลมเนี่ยมันมีประโยชน์อย่างนี้มันในความเป็นอยู่เราอย่างนี้อย่างนั้นพระพุทธเจ้าจึงจับอรารมณ์ไม่มาหายใจของปิจารณาอานาตานสตินี้เป็นมงคลกรรมฐานท่านจึงภาวนานั่งกำหนดพิจารณาลมเข้าออกนึกว่าพุโทโธพโตคือให้รู้ น, นั่นเองนะรู้รู้อารมเข้าออกร่างกายเราทุกส่วนนี้มันอยู่ด้วยลมที่เราเดินไปเดินมามันเคลื่อนไหมเดีย๋ยวลมมัลมเป็นของที่สําคัญมากที่สุดลม เป็นอาหารอันย่างยอดทีเดียวเนี่ยนะนะถึงนอนดับอยกกู่ไปยังทานอาหารนี่อยู่เสมอนะไม่ทานไม่ได้แนละ้นอกจากมันตายกันแล้วแต่เนี่ยเราก็สนใจนี่โอ้อันนี้ลงนี่นะ่ะมันสําคัญเหมือนกันนะ่ะเรานั่งกำหนดตัวหายใจข้าวออกอยู่อางเงี้ยไอความรู้สึกนะมันสงบมันความรู้สึกเกิดอืมลงนี่นะลงนี่มันสําคัญเนี่เกินเนะี่ยมันดีกว่ามีเงินหมื่นเงินแสนมันดีกว่ามีอะไรอะไรถึงนั้นเนี่ยดูดีแต่มันออ ก, กไปแล้วมันเข้ามาก็ตายเนะี่ย แต่มันเข้าไปไม่ออกเรี่องก็ตายเดี๋ยวนี้เนี่ยต้องเห็นในใกล้ๆกามาอย่างนี้เนี่ยมันคือเป็นของที่มีกําลังกว่าอย่างอื่นแล้วเนาะในสนใจในลมแล้วก็พิจารณากาหนดรวมพิจารณาเนี่ยนะนชุดเอารเรื่องต่างๆมารวมเป็นลมเนี่ยมีสติกำลมหายใจเขาเสมอมันมีปัญญาหลายอย่างจะดูลมอันเดียวฉะนั้นแหละทันทีว่าลมอนาปานสตินี้เป็นมงกุฎของกรรมฐานทั้งหมดเนีน่ย อย่างนั้นพระพุทธเจ้ากจากึงยกมาให้เรายกกรรมฐานคือลมหายใจเข้าออกเอาง่ายๆเพราะว่ามันมีลมทุกคนอยู่มาเนี่ยเห็นไหมเมนี่ยมันมีลมทุกคนพอจะรู้สึก่ารมเข้าออกเท่านั้นก็กำหนดดบแล้วนะจะนอนก็นอนกำหนดไปเถอะมีความรู้สึกจึลมันจะดับไปอย่างนี้ยไม่ใช่มันเป็นของยากลําบากจะรู้จักวันแล้วอย่างนั้นใหโยมทั้งหลายรู้ว่าภาวนากันเถอะเนี่ยทานศีลภาวนา เรื่องภาวนาเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเรื่องให้เราพ้นทุกข์มันติดตรงไหนมันแก้ตรงนั้นแนี่ยมันแน่นตรงไหนมันเอาเอาขนเนยออกมันสกกระปกตรงไหนมันทําตรงนั้นในีมันสะอาดถ้าไม่ภาวนาเนีไม่เห็นชัดอืมาเห็นชัดการภาวนาเนี่ยพอทํำให้มันเกิดขึ้นมันมีขึ้นจะต้องอาศัยการภาวนายึ่งจะรู้จักธรรมะมันเป็นใจอย่างนั้นอันนี้แหละให้ญาติโยมทั้งหลายเข้าใจ เข้าใจเรืนน่อการภาวนาการทำบุญชุนทานให้รู้จักบุญให้รู้จักกุศลให้มันเกิดประโยชน์ทําอะไรไม่ได้สงสัยถึงนั้นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าของเรานะทําอะไรรู้จักถึงนั้นะไม่ใช่ทำปลอมๆไปเราอย่างนั้นวันนี้ก็ไอ้พวกญาติโยมทั้งหลายทุกๆท่านที่ ม, มาวันนี้ก็เรียกว่าสแสดงบุญกันได้กระบเพ่มกุศลเข้าสแสดงกุศลด้วยเพื่อพินิจพิจารณา อนาปาเราถึงทำกรรมาฐานเอกรรมาฐานนี่มันควรทําอืมจะเป็นทางโลกกว่าจริงจะเป็นทางธรรมกว่าจริงจะเป็นโยมจะเป็นพระทำมา น, นี้ให้เราสะอาดให้ใจเราสะอาดได้ให้เราใจเราผ่องใสได้เสมอเราทําไปเราทําไปมันจะเป็นปัจจิต่างรู้จักเฉพาะตัวเองแต่นั้นเนี่ยอันนี้ระ ว, วันนี้นะอญาติโยมทั้งหลายก็อืม ได้ฟังธรรมะมาพอสมควรบางทีมันเกิดจะสู้ไอ้ความงงเงาหานอนไม่ได้นะบัดนี้ก็ได้เทศนามานี้ในที่สุดสุดท้ายแห่งการบรญญายธรรมะมานี้ขออยากโจมทังหลายจงมีกำลังาลังหรือกำลังกายกำลังวาจากำลังใจมีศรัทธาริย สติสมาธิให้เกิดปัญญาให้เชี่ยวชาญรู้ว่าอันนี้เป็นบาปอันนี้เป็นบุญอันนี้เป็นกุศลแล้วไปประพปฏิบัติตามแนวทางขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในแนะนำคำสอนมานี้จิตของญาติโยมทั้งหลายเป็นต้นก็จะกระเรื่องเกินจากความมืดหนาสาหโหดจะเป็นจิตที่ข่องใส อันนี้ไปทําเลยจะเป็นปัจจิตังรู้เฉพาะเจ้าของไอ้พ้ที่สุดนี้ขอด้วยอํานาจแห่งคุณพระศรีรัตนใจจงปกปักรักษาที่ท่านทั้งหลายที่มาแสดงบุญในวันนี้จงเป็นผู้จงให้เป็นผู้มีสุขมีสุ ข, สขโดยการยืนก็ดีการเดินก็ดีการนั่งก็ดีการนอนก็ดีให้มีสุขมีสุขทุกทุกคนเถอ